ตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับพอจะทำการได้กับมาตุคามสองต่อสองถามในปฐมอนิยตสิกขาบทนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปปณะบัญญัติอยู่หรือตอบในปฐมอนิยตสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติไม่มีพระอนุบัญญัติและอนุปปณะบัญญัติถาม มีสัพพบัญญัติปเทสบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพบัญญัติถามมีสาธารณะัญญัติอาศาธารณะัญญัติอยู่หรือตอบมีอาศาธารณะัญญัติถามมีเอกะโตบัญญัติอุพัโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีเอกาโตบัญญัติถามบรรดาปาติโมขุทเทศหอุทเทศปรถมอนิยตตาสิกขาบทนี้ จัดเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหนตอบจัดเข้าในนิทานุเทศนับเนื่องในนิทานุเทศถามมาสู่อุเทศโดยอุเทศไหนตอบมา ส, Gregory, าส mmm. ู่อุเทศโดยอุเทศที่สีถามบรรดาวิบัติ4อย่างเป็นวิบัติอย่างไหนตอบเป็นสีลระวิบัติก็มีเป็นอาจารวิบัติก็มีถาม บรรดากองอาบัติเจ็ดกองเป็นกองอาบัติไหนตอบเป็นกองอาบัติปาราชิกก็มีเป็นกองอาบัติสังคารทิเศตก็มีเป็นกองอาบัติปาจิตติก็มีถามบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่ตอบเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา ถามบรรดาอาธิกรณสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนตอบเป็นอาปัตตาธิกรถามบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบระงับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สัมมุขาววินยัย 2. ปฏิญญาตะการณะ 3. สัมมุขาววินัยและตินวัฏฐาระกะถาม ในปฐมอนิยตสิกขาบทนั้นอะไรเป็นพระวินัยอะไรเป็นอภิวินัยตอบพระบัญญัติเป็นพระวินัยการจำแนกเป็นอภิวินัยถามในปฐมอนิยตสิกขาบทนั้นอะไรเป็นพระปาติโมกอะไรเป็นอธิปาติโมกตอบพระบัญญัตเป็นพระปาติโมกการจำแนกเป็นอธิปาติโมกถามอะไรเป็นวิบัตตอบ ความไม่สํารวมเป็นวิบัติถามอะไรเป็นสมบัติตอบความสํารวมเป็นสมบัติถามอะไรเป็นข้อปฏิบัติตอบการที่พิกษุนสมาทานอาปาณโกติกะสีลตลอดชีวิตว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติถาม พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปฐมอนิยตตาสิกขาบทนี้โดยทรงอาศัยอํานาจประโยชน์เท่าไรตอบพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปฐมอนิยตตาสิกขาบทนี้โดยทรงอาศัยอํานาจประโยชน์สิบประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงส์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงส์ 3. เพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยาก 4.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 เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยถามใครศึกษาอยู่ตอบพระเสขะและกัลยาณปุทุชนศึกษาอยู่ถามใครศึกษาสิกขาเรียบร้อยแล้วตอบพระอรหันเป็นผู้ศึกษาสิกขาเรียบร้อยแล้วถามสิกขาบทนี้ตั้งอยู่ในใครตอบตั้งอยู่ในสิกขากามบุคคล ถามใครสร่งเอาไว้ตอบพระเถระทั้งหลายผู้ทรงจําปฐมอนิยตสิกขาบทได้ส่งเอาไว้ถามเป็นถ้อยคําของใครตอบเป็นพระดํารัตของพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถามใครนํามาตอบพระเถระทั้งหลายนําสืบสืบกันมารายนามพระเถระ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 พระสัมภะและพระพัทธบัณฑิตเดินทางจากชมพูทวีปมาที่เกาะสิงห์หนี้ท่านเหล่านั้นสอนพระวินัยปิดกที่เกาะตามพระปั น, นิ้สอนนิกายหและประกรณ์เจจากนั้นพระอริฏฐ์ผู้มีปัญญาพระติสะทัตตะบัณฑิตพระกาละสุมนณะผู้เชี่ยวชาญพระทีฆาเถระและพระทีฆะสุมนณะบัณฑิตต่อมา พระการะสุมาณะพระนาคเถระพระพุทธรกิตะพระติดสะเถระผู้มีปัญญาและพระเทวะเถระผู้เป็นบัณฑิตต่อมาพระสุมาณะผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัยพระจุลนาคะเป็นพระหูสูตรดุดช้างซับมันพระธรรมปาลิตะเป็นผู้อันสาทุชนในโรหณะชนบทพากันบูชาเป็นอย่างดี สิทธิ์ของพระธรรมปาลิตะนั้นมีปัญญามากชื่อว่าเขมะทรงจําพระไตรปิฎกได้รุ่งเรืองอยู่ในเกาะด้วยปัญญาเหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองอยู่พระอุปติสะผู้มีปัญญาพระปุษสะเทวะผู้เป็นมหาธรรมกถึกต่อมาพระสุมานณะผู้มีปัญญาพระมหาปทุมะเป็นพระหูสูตรพระมหาศีวะผู้เป็นมหาธรรมกถึก ฉลาดในพระไตรปิฎกทั้งหมดต่อมาพระอุบาลีผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินัยพระมหานาคผู้มีปัญญามากฉลาดในวงพระสัทธรรมต่อมาพระอภยะผู้มีปัญญาฉลาดในพระปิฎกทั้งหมดพระติสสะเถระผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินัยพระสุมาณมีปัญญามาก ผู้เป็นสิทธิ์ของพระติสสะเถระนั้นเป็นพระหูสูตรรักษาพระศาสนาต่อกันมาอยู่ในชมพูทวีปพระจูาพยะผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัยพระติสสะเถระผู้มีปัญญาฉลาดในวงพระสัทธรรมพระจูระเถวะผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัยและพระศิวะเถระผู้มีปัญญาฉลาดในพระวินัยทั้งหมด พระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินยัยฉลาดในมรดได้ประกาศพระวินัยปิดกไว้ในเกาะตามพระปัณณ